หลวงอาหลวงลุงแจกให้แล้วก็อเอาไปทิ้งไปในรถไม่มีเวลาฟังอพอ ว, วันวันดีคืนดีหลวงอาเอาเอ็มพสามฟังดูสิเป็นยังไงอพอเสียบฟังทานาโอ้หลวงอานี่พูดดีอสอนให้รู้จักศีลรู้จักทรรู้จักวางตัวการดำเนินชีวิตทาอย่างไรไม่ใช่ว่ามีแต่ธรรมะกับเป็น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 ในเมื่อเราศึกษาศินห้าของพระพุทธเจ้าแล้วให้พวกเราคิดดูที่สินะ่งนี่ยศินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นศินคุ้มของโลกเป็นทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขศินห้าอยู่ในชุมชนกลุ่มใดในชุมชนประเทศไหนชาติไหนถ้าแข่งคลัดในศินห้าชุมชนกลุ่มนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขให้พวกเราคิดดูอีกว่าให้ไปถามด้วยซิว่าคนอยู่ในคุก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 มีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรในตัวของเรา เ, เราจะทํทาำผิดศีลห้าอยู่เหรอใชคิดจะฆ่าคนอื่นคิดจะขโมยคนอื่นล ะ, ละลาบละร่วงในสามีภรรยาลูกหลานคนอื่นโกหกต้มตุนคนคนอื่นเด่มสุราเมรัยเด่มจนขาดสติแล้วก็ทำความชั่วเสียหายความชั่วด้ทุกอย่างอีก ต, ต่างหากเพราะคนเมาคนขาดสติ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 อย่างแถวตะวันออกกลางทุกวันนี่อกพยพหนีฉึกสงครามนั่นเราไปเกิดอย่างนั้นก็ได้เพราะบาปกรรมพาไปเกิดเนีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะทถาญาตโยมลูกหลานทุกคนน่าเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาในพบพระพุทธศาสนาควรประกอบคุณงามความดีอย่าได้อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันรักเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้มั่นให้ขยันคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้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 ขอหยุดติเอาตอนนี้ไปรับพรเนตานีนะพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอร